การตั้งเถิดตั้งชัอมเป็นลาเป็นดอเสดของบุญยางหนึ่งจะเกิดชื่อชื่อข่ื่อแย่ซอยแหน่ซยเห่าเป็นผีราานตั้งเถิดตั้งชั่นเป็นบุญเป็นกุศลเนื่องจากการสร้งเถิดต้างชั่มเป็นเรื่อง ทำลังชีใจําลังชีวิตภายในห้องห้องเบาบางไปเป็นการถือการท่องเสกตั้งชั่าเป็นท่อนเสกคล้องบุญค้องสืบสนอาจจะเป็นพระผู้่าผู้แก่ค่อยบ่งยึนในท่านเรื่องของท้องข้าเรี่อท้องเทียในสมัย ไต่ก่อนอยู่บนบ่อใหญ่ในกันล่าว่ามีพระอิศุเปลือกหนึ่งใส่เปลืออัปติขนมในถ้ำเกียร์อาศัยอยู่ในถ้ำตั้งอัปติขัมของพระอิศุอยู่ในทองบนสาขายายเปลืคกข้ามเปลือกเท่นยื่นดีในเสียงของถ้อนตัวตลือกข้างข้าวเปลือกเกียร์เบ่งหัจัก วาเคลื่อนเสียดเอียงก็หากจิตใจเพิดเพื่นยืดดีในเสียงของท่านนั่นในเสียงอ้ิท่านที่ตายเสียดเคลื่อนชวิตหาดลื่นนั่นตายจากศากของเสียไปได้เกิดเป็นเถิอพรบุตทั้งหมดเถคงสืบเป็นเรื่องอันนี้สืบถือสันราสารตั้งท่านเป็นบ่อเกิดความบุญของผู้ศรัสธาทุาิความแหน่งของห้าเง้าเน ลือน้ามหลานชากันประดับสร้างถ้แน่าส่องแฉสมัยก่อนจนตลอดจนปัจจุบันหนึ่งเป็นมีท้านที่เป็นได้ไวในปัจจนบัในมอือควนส้างจริงเรื่องของการสั้งชถ้นเป็นของที่ ส, น, ส, น, สนหละบสาธาห่วงค ยืนยงยึดใจทของแห่ไข่เบาบางออกไปเกลี่จังเพราะเรื่องข้ามขมตังสองของภาษาไทยจัดสื่อโกน่ามาเรามาเทิดหรือเรอ่านนะเขียนหนังสือเลื่องของท่้นใจทั้งแห่ไดคิดตามไข้ขึ้นหรือมุ่งเฉพาะในเรื่องของการสร้งการอ่านนั่น เป็นเสีสจจสเอสาาดาาิ้นหาคิดใจคล่องแค่วหาใสจากขั้นชิดฝึไปในเรื่องกัวสาราเมฆต่างๆเสือดิ้นเป็นจังหการตั้งค่้มจนบุญชื่แน่งข้ามซุกหายใจแน่หน่อหายใจโดยรับความรู้ความปราในเรื่องของความของดีหน่อยตั้งขัีมจึงเปงน็นไตแสบขั้ใสว การาจึงเป็นไปถงความยัดเยินปวดห้าขื่อชี้ตามเขาเป้าล่ามองหาวจึงพากันตั้งช้าการตั้งข้ามกับการตั้งเทดคิดกันการตั้งเิดตั้งเลีวๆไปในขนะที่ตั้งแต่ตั้งไปยางนั่นแหละจุดในการตั้งเทิด เผือดมาที่เลยสิเดตายสร้าเสียงเาเผอดรู้ตัวม้างเวตีเส้าไปเดเชิางคนจเอาดีๆวพี่อ้า็นมเอาชักักห็นไหี่เอาไปเอาอีมันตายแบบเหไห้เสห้องปากดใส่เหมยอนข้าใส่ทั้งน้บางทีจะเอา แต่ต่างเอาอะไรอันนึงขงใส่สาตั้งเมืองตันแหละผู้เผด็จแห่งเอา อ, อ, อ, อ, อ, าอายา่างไรย็นข้าวให้การตั้งเสด็จเป็น ย, งยนั ง, น, ยงนั่ะบรมุตั้งยาชวนยาเอียงขีน่ามแต่เกิปฏิกิติยาตามชนสารตั้งข้ามเป็นข้าเกิดของบุญของผู้สนกวสารตั้งเผด็จเพาะชวนเดาอันไรไป สอนอันใดให้เขาตั้งจำไว้ในคิดแนใจส่วนใดที่เช่นไปในทา่าที่เสียชีย์หายเขาลักส่วนนั้นบอไปพูดไปคิดไปท่ามในทิ้งที่มันคิดคื่เป็นบอกเป็นสอนใดท่านแต่จะทิงที่มันถูกคเป็นสอนในท่าบวช น, นี้เขาก็ให้เกิดเหตนันเกิด น, น, นั้นรู้ขึ้นครยังไ่หันเนไ จนมันเปลี่ยนเห็นมันเปลี่ยนในจิตในจิตในใจในคือบาสารสร้างถ้ำเพื่อตร้งแหล่ถ้ตามเกิดอาิสงสเป็นลึกต้นไปจากที่เหลือปัญหานัดบ่วนคือถือสร้างถ้ำในสมัยคุถากาลวยสมัยปัจจุบันในยุ่งในสร้างจากคู่บาอาจานใส่แหลเข้านมไปต่อิ แต่พี่บัดตามแต่ชีวาร่างข้ามผู้นั่นเด่นนี่ข้ามลูกข้ามตลาดผู้นั่นเด่นนี่ข้ามฟ้าเน่าผู้นั้นเด่นนี่ข้ามซุกนั่นในชีวาร่างต่างข้ามจนถ้าสิ่งเหตุเกิดบุญเกิดกุ่งเช่นสิ่งแยห้ขอข้ามข่ามต่างสองทั้งผู้เป็เจ้าเป็นของดีนีคุณายิ่งกระชินทัวไปเงี่่างเาของเสีย่อสั่งแหมรเลือดต่งั่แน่ชีวาร่าเป็นของดี ขุ่นชาจะหาจะเทียดจะท่อนขั้นข้อมของของพระพุทธเจ้าหละใจกันแน่คุ่นชาของจิงเราเนี่ยนี่จิงต่เหนือให้องนอยู่ในโลกอันนี้และนี่ในเหนือภูหุจักใจประโยชน์เกินเทียนท่อนขั้มสองสองของพระพุทธเจ้าเนี่ยนี่ขุ่นชาแม่ใอยู่ในโลกอันนี้ผูได้ชึกประชิดประชิัดตามท่าน ข้สอนทพระพุทธเจ้าถสอนได้ผูอนั่นแต่เม่อามซุกใจซุกใจผู้ได้ตั้งนาตั้งตาป่ิบัตันจีนจินจงจังขึ้นและท่ามขาสอนถือเป็นสอนได้สาหน้าต่อจุดต่ปจิบัิได้เกได้เขียนคิดใจขุนจากเหนื่อยปัญหาแต่นี้เกิดเหนื่อยจังัดขุณนาต้องข้ามในขุ่นชาเนหย ขุ่นคาข้องช่างคล่องช่างเพียอช่างแฝงช่องแกว่งท้องจีนรัวไปในโลกเดนัแน่นคือหอยท่ำเป็นจางดาเป็นหอยของาส่เศษหอยของเล่ของดีเศษการไอ่ท่นทัวไตจางดาการไอยท่ำเป็นการไอ่ที่ดีเด่นก็การหถยอย่างอื่น เป็นดาวัตถาท่านั่งธรรมะท่านั่งที่หน้าสี่การไข่้ามคณะการไข่างมัดเพาะการไข่ขามเป็นไห่ของบอต่าไขแรกบ่อคิดหายไข่แรกบ่อหมดใส่ในตัวไข่ในตวนั่ง่ใส่สส่ใส่ใส่ใส่ใสีบักจะด้รับส้นข่าราชาลูกขั้นสิ้นขั้นเล่นอย่างลื่นช้าว่อนเตือนั้นั่งใส่จีบัด เก่เส้นสิ่เส้นสิ่นคิดนใจสามารถขึ้แม่นำผ่านาด้วยส้นอื่นไปอีกเยื่อย่องค่องข้นหน้าจนตลอดถกวันนึ่งกอการหายท่าพระพุทธเจ้าจะได้หาท่าเสียใจสาวกสาวกบวรูษท่าสาวกหัวไปสินี่ด้วยหน้าสีสีสาวกต่อตามนอกจากนั้นตลอดหน้าจนเกเดเสียให้ถูกเมือทุกว่านหนึงสตาก่เพะ นื่คือหายชั่นแจกแจงเท่านี่อันเทกชั่นเขียนท่อมไว้ดีบอกสอนแจกแจงข้อจังหัวจักเรื่องของอมหกหายเร่ออง้อมเลยขอมตทิหายไปตั้งอยู่ข้องข้นใดเหมือนจอื่นข่อมอาสัยการเกิดขึ้นจากการหาของบุคคลอื่นยันใดต่งกัเพราะทั้าององเดียว คือจะลูเองเข้นเอียงใดนอกากนั่นอาศัยการใดนิ่งไดสร้งสาง้ารให้ถ้ำของบุคคลผู้อื่นอย่างสายายีบุตรเป็นผู้ถือนี้ปัญญาจะเยกสลับบอมีบุคคลผู้ใดจะเคียดถึงสายสายีบุตรใดผูถึงกัญญาจะถึงในั่นคนคิดคือจะไรแน้า่านเองบอ่อพาะเป็นวิสัยของสาวกต่เมื่อใดนิ่งไดสร้างถ้ำศาสตร์หาจะสืบ ตาซาลีบุตรแต่ได้ดียดวงตาเห็นข้ามนั่นการเห็นข้ามเป็นเครองเลกกประเศริญยังนันนน้นเห็นตาแนบโ่ยนิ่งไดยตั้งเลิอดแนบบรรลุถึงพระโสดาบันต่อจากนั้นกับองคสพิชตไปที่บัดโดยนินย่งโดยตั้งที่นั่นที่นี่เตินการร้ายแข่งร้ายที่จะได้บด็กเป็นพ่าอารหันเป็นอริยาส า, สาวก่างขวาสองพระพุทธเจ้า ถาุอาศัยารแต่งดังนั่นองคอื่นแต่เพื่อารสารตั้งขามจึเป็นของตังันเนั่นสวกให้ฝุกคนารแต่ยื่นแตงข้ามขาสังสองสองพระพุทธใจใหญ่แต่นื่นแังแน่ม่แสหาพ่อบ่ตั้ง่ําเป็นการสร้งเหตุตั้งแหล่แหล่ไปถ้าคนเอื้อั้งแต่าถูกนะ้มันคนแ่เอียงแต่งบ่เขวักเขว้ยใจอันใดเอื้อตัคิดใจ้อนน้อจึง เหล่าหล่อนหลุ่มหลงไปในอารมณ์ต่างๆคอาแจ้งหายยึดใจจากโลกจากปวดจากหลงสีโปดสีเหลดสีเห้งสี่เกียจสี่ท่อนสี่กระด้อยนั่นบอดีถึงชื่อว่าสี่ยึดแน่นกันเหมือนยึดหลายแต่เหมือนนันบ่เป็นตาลาประโยชน์แห่งค้ามละสายสางหอาโเท่ากัญาสาสางสีเสหน่ใบ เอาควาำดีเสาแมวใส่เป็นคว่ำขา่ายยันนันเที่ยนเป็นผู้เล็ดเล็กน้อยพอแม่ผู้เผาผู้แก่น เ, นเน้นข่าสอนอันใดเสียถอยเสียท้อมพอแม่จะเป็นผื่ไใเนื่อเสียใจขายยันชันแ ข, ข็งแน่นตันแน่นทุกบ้านทุกอย่างอพอแมคผีบอกสอนอันใดข้อเห็ุเน่นข่านตามอา น, นั้นพอแม่ฟองแห้อองเป็นบอก คนสอนอันไดสอนอยบกให้เขาเร็ดกเขาดีให้เขาหน่เขา่เหน่ะคนสอนให้เาวัเปาเจนแบเส้นข้นขีดชายันมันเที่ยนเป็นเส้นทีดเสืยดถอยทั้งข่อมของปอของแม่ของรูบาอาจารย์ชยันทั้งการทังแน่นยางแน่นบแน่เว่าผู้น่งผู้ซาบ่เต่าใสเนเสน่หนเต้นอบยืานยืนกองหนาแบบคู่ได้ข่อมการข่อมแน่นชายัน วันขีดเกียร์ขีถ่านเกียร์ไปอร์อะไรเ้ได้เื่องได้หลายท้ายได้เงินแสนเงิลาเกียร์ไบอแสแบงคเมื่ต่งกันเกียอันใดเกียให้เกีโต๊ะโมองเกียดเกียรสีถ่อมเป็นพูนีแต่นี่เหน่อยโมตองได้เหนมันแย่แรงไล่เอาวหรอกคือดาไมห่าไม่ห่างเองหอกียได้แั่ได้เรียกเอาโมตองจะพูดถึงนี่อยากได้เท่าเท่าดี เป็นผู้สรากแต่เชื่อบดกระหายเชื่อเด่นให้ามันหยาบห้ดยบดการล่างล่างส้างได้ไหมด็ไปเชื่อเด่นให้ถือรับถือนั่งแบบมันเลือดันไดไรม่งจะงับม่งงับเอาแม่งู้เอาอันายอันนี้ฉันม่ดีมเป็นยังสั่นใช้ตะไบ้อดีเืิดนั่งการเที่ยวเสนอการตะไบคล้องดีห้าตองปเ็ดดีเพื้อถอสร้างค่อคข้องปลอกคล้องจนวยาสีนข้นขีเกียร์ขีดทัน วาบานั่นสนบ่อใดการน่นเยื่อในการกินเหล่าการลากการขมมยเช่นจอมแม่พอแน่นแมบสอนแน่นแ่นมันบ่ยืดแห่ที่คุ้ยแจแน่แห่ทักในจิตในใจฟองเท่าวาคือเผาคุ้ยแจคนเกิดมาก่อนคนผูกวาสลับเปนยังม่คนผูกคนสลับเยอะแม่คนผูกคนสลับคนมุ่งดีดังดีต่อเท่าจะมาข้นในโลกวันนี้ผูกข้นเพื่อไหน ส่งเป็นไฟใต้คืยหักคอควงห้อแบบคองห้าวหักก็ทุขู่ทุกข้นเสียวคองหาวพักสวงควห้าวคือใจเหนื่อเสียใจเนื่อคงห้ากว่าเ่กันว่าเป็นสื่อหากสื่องข็งงห้วยาตานผาตานเนือง้าบบรรดาคนยิ่งเนื่อหนือบรรดาคน้ต้ไม่พอเท่าหาเขาอจิ้งจิ้งจังจังตายมาสื่ใจดูแลพกพักรักษาเห้ทุกซึ่งทุกตาตามข้าสืบสื้อไล่ือเลย โยเลี้ยเจ้าต า, ากเข้าบันใดข้นห้ออา่ซื่อๆแบตาคนแก่ใจพคนทั้งนี้เหวตาดินี่ซมเมงดีรังดีตอนให้ออยุยากจังห้งห้า่ดีทั้งนั้นขนห่เ่้นดาค่ะเชือรวาเสียร์ไรูปับตัวให้เป็นข้นยึดข้นดีจากข้มตัวหน้าเป็นข้นดีนีะยึปัญญานี้ปัญรังร่างซ่า่งหน้า่างตาแต่ท้าบันเท่นไดทัางสิเสียงซาลาประยนกเงินจังห้่จังดาเข้าเพี่เรเนจงเขา ยคู่รักค้างแคลงว้านคงแคลงขับยึดดอกยึดเล็บไป่เรากันออดเอดเอออดรับอดแน่นก็วะคสิกินกับี่กันได้มันหมักกันหลายขันหาเข้าไป่ยหัวเล็บเปี่ยนไปทำออันหนึ่งเข่าเสียดไม่มันถูกตาให้หวาดซักยึดถูกขาให้หักซักแม่เราแ่จ๋านั่นมันมาหลังนันสิอก็ซ่าเข้ากูนึกคิคนจะแจ๊ะไปเป่ มันบอกพูดเบาๆพอแม่ทนให้ได้ตาบอกเพิ่งเรียงหดเพิ่งเลียงที่พูดปุ๊บขังเพิ่งจะเริ่เสียบคอแม่ทนให้พักขนาดนั้นครับเพื่จมาดูต้อ้ใหญ่รที่ฮักหอกพอแม่พอแม่ทนหักหลายตายทนแเห็นเน่าทนแต่ดูแลหลบไข้ไข้เช็อันนี้เกิดขึ้นนะท่านรักาเยอะๆเข่ยนมี่ใหให้เลือให้ใัวเห้เป็นกสท่านหาเช็ดเ่ท่านเ่ดเื่องจะแต่ทาินเ่มันจะจบก่อนจะอยูน่เดห มันขนาด น, น, นั้นมันก็มี่ไหนเน่ยคนเดาให้สร้างแบบนี่กส่่าบําเพ็ญในี่แบบเบอกให้เด็กรงบ่งอันหนึ่งเด็กเนี่ยเนี่ยใช้เด็กน่เวลานักเวลาหาแตงเอ๋ยไหวหวานน้ำตาลกับบล็อกถูเวลามันท่างมาอ้ยสีดูขงสีไอันนี้เออมากินต์ตาินไปใส่เบล็อกเนี่ยมนตกันโตถูที่กันโตเมียช่วกันจึงนั้นมันแถลงแทงริ่มมันบ่ช่วตาชวยเียบ่ฮัดแคฮักิน หาสีอย่างที่เหลือกันหาบอกกัครับคือบริุทธิคิ ด, ดในใจเหวีหนั่นข้าใส่ตั้งข้อม้องผูถ่ยผู้่าองซอฟองแมองเท้าข้าวหยันข้นยึดค้นดีตั้งข้ามข้ามสอองัดชิ้นไข่เจ้าเหนือข้าตั้งกันนีเหนือตายางนันาอาบใบยิบใบดีทุกหัองทวก้นละอย่างขีคือมันนี่รูแน่เจนแต่มันสั้นละ้าฟ้างใส่ข้นสิ้ีลา บุ้อนผู้ใดไดเป็นเศีข้นขดสีเหลาียาบุกข้นนี้บุ้นผู้ใดได้ยึดดดีเพราะการกินเหลากินยาข้อนสีโบกแต่เท่ากันเ่มผู้ใดเลี้ยงแคจเป็นเศษีแบบตอนไหนจะเล่แม่ข้นสีดัีบ้องามื่อนีุ้้นผู้ใดขีดใดาใดงานโดยยึดใดดีเียเเถิดยอสัตสียเที่ยึดของตนทันตะเวนเขาคุ้มๆหร อารงนไม่อากแบจยากต่างล่ึดใจมันเปนไปต่างๆแน่ๆนะบไปป่วนไปขะเขาบอกว่าผิดเพราะชีวงคืเชียงเงี้ยเชยแทงบบ้อลือเหมือนว่าเส้นั้นเส้นบอกเส้นไม่บอกเส้นบ้าก็สูงเ้นได้ก็สูมันเส้นบ้าขนาดนั้นเลยเสนได้อันนั้นก็คือเสือกเอาไมเข็ากันนะว่าเดี๋ยว้ามันใ่อย่างมันแม่ไม่สวยไรเหรอผามเพาะ ดังนนจากบาจากเดือนนี้ยังไงมันก็ได้คิดแบบอ่านจ้ะมันบอกแค่ีคือดเรื่องเงนัดเงินเดือน่ไหมที่มีที่อะไรหน้ามันคักเร่องบัดเรียงเบือบดเป็นเรียงขีดเช่นไปเร่อนไปท่าเด็กหากเข้าไปเรียไปท่านเชื่องเงื่นเชื่อท้องใจมันเพื่อมันเกลียวด้อยเกลียวตาไปจางจางเขาไปบอกไปสอนนู่เฝ้าเขาเรียนชื่อกันขันเขาเรียนนี่นาะสอนเขาก็ได้เด็กชื่อกรก็มีท่านันร่แล้วไปเรียนนื้อแงลาเรยนไ่อยมันสิ่งห่งเด็กสอน ให้แม่ น, น, น, นััเติมั น, นมได้จังยเนี่ยต้องมันเป็นดัตตาพอมันสุนี่ดับเบอร์ก็ชือกั น, นคนละมันแค่น เ, นเล ย, เยท่านน้องเดียวกันก็แนห่มนเต่ามันได้บบมาจับขหลัปาบเอาสิวิจารณนะอย่างเรลนี่ยางตนน้ังยางเรือนอยย่างก้อนกินจะใหบอกวิจาเดินข้นันกินไ้ น, น, นทัานสังารสงสรงางพษษทษทรพิเ สอนใบทุกแนวกมุมให้ยึดให้ดีคนนีเหือ่าได้วังคือแบบความได้อันใดก็ตามแม่แบสอนแบบใหให้ยึดใ่้ดีให้ดีในโรกแต่ให้ให้ที้ามซุกเข้าไปโลกนะแต่ให้ให้ที่ข้ามซุกไม่ให้อยากจะข้นจากโรกต่ให้ให้ที่้ามซุกข้ามสบายเนโลกนี้โลกนะดังนั้นข้ามข้ามสอนควรีืให้ข้าจึงว่าเป็นของสี่เลือแตเศษก็ให้เตนเปล่าใสเสียเหมื่น พวกแม่ทั้งหลายสท่ากันอแม่ฟั้งข่้มวันศีละเช่นด้านนี้หรือหน่อยท่องการบนตังสืบท่นแม่จะดีได้เตรียม้า่ท่านคี่เด็กคลองขา่งใหเนเหมือนา่งขั้งที่เด็กคลองขาเนื้อพงข่าเนื้อลา้าเนื้อสาราไปเยอะข้า่นั่นพิมิตสืบท่านแม่้งขดีตามสืแน่นแม่ ควก็จะไปตลับคร่งทุกคร่งจะแล่นนคร่งสุกได้หลกหนึ่งได้หลกหนึงเผือมันการอธิบายธรรมะวันหนึ่งก็เห็นได้ส้อควรเสียเวลาหรือว่